เป็นคนที่กัดรถใหญ่คนที่ให้ความสำคัญกับธรรมะคนนั้นจะประสบพบเห็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐ เรื่องเราเอาความสุขความเจริดแต่ด้วยเหตุที่เราประกอบแต่เหตุเพื่อความทุกข์ยากความลําบากเพื่อความเป็นอักปมงคลเราก็จะต้องไปประสบผลแบบนั้นแต่เวลาเราประสบพบเจอจริงๆทําไมเราต้องมาข้ามครุขทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเราไม่ควรจะยอมรับความจริง คุบาาจาย์พระเนงเราเ็าต้องให้ความสำคัญในการฟังธรรมเพราะเราเป็นแกน่นนำเราเป็นหลักบางทีมีแต่บาสุกบาติกาถึงคราวฟังเทศพระสงฆ์นีหมดราสุกบาติกาจะได้กาลังใจในเมื่อเราขาดภิกษุที่นุ่งเหลือนของเหลือ น, นั่งเป็นแก่นนำของเรานั่งเป็นแกนหลัก เป็นผู้ดึงพยุมจิตใจของเราเราต้องให้ความสำคัญกับการสังขารเมื่อกี้เราก็แอบดีใจที่โคสชเพิ่เคลียร์ให้เรา หัวใจหนึ่งวมหนึ่งคนสำคัญที่สุดถึงเราจะมายากแสนยากเรามาเทพให้คนหนึ่งคนฝั่งเราก็ถือว่าคุ้มค่าะครับที่เราพูกให้คนทั้งหลายที่ได้ยู่ได้ฟังอยู่ตอนนี้มันจะมีหนึ่งคนสองคนไปตั้งตั้งใจทำให้เกิดผลลัาธ์ไา้ที่ททามาคเราก็เกินคุ้มแน่เราก็เกิคุ้มแน่ พูดปลอบใจตัวเอง <c oughs> ท่านทั้งหลายต่อไปจับปลอบใจนะโมตัสสะภะควาโตอระหโต ส, มมสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอรหโต ส, มมสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พกวัตโตะระโตสมาสัมปุทตะอนิกญาปตสรงาาปุาตวะยัตมโนปุปชิตวานิชันติเตสังสะโมสุทีรจะพูด ภาคท ฤ, ฤษฎีและภาคปฏิบัติผสมกลมกลืนกันไปเพราะฉะนั้นให้พวกเราเข้าที่ภาวนาถ้าเราไม่ได้ประโยชน์จากการฟังเราก็าจะได้ประโยชน์จากการภาวนาของเราเองแค่ที่กิงเมื่อนั้นที่เราควรจะได้อย่างแค่กินแล้วทการตั้ง ใ, ใจภาวนาไดถึงยังายเสียงที่พูดธรรมะเนี่ยจะต้องได้เ็เข้าหูแน่นอนยกเว้นปรลานั่งหลับ นั่งนึกนั่งคิดนั่งตรงนั่งฟูท่านจะพูดอะไรขนาดไหนก็มันเขาจะรู้เรื่องแต่ถ้ า, าหากเรานั่งภาวนาหรือว่ามันเป็นก า, ารสํำรวจไปในระัเดวกันได้ผลฟังธรรมก็ได้ผลภาวนาก็ได้ผลงานนี้เวลานี้เป็นก า, ารฟังธรรมถึนไม่ว่างานนี้ชาวโลกเขาได้ฟัางาน อาวัตมงคลการฟังธรรมเป็นงานมงคลเป็นงานบุรมมงคลเพราะการฟังธรรมนั้นกาเณธรรมะสวรรคเอตัมมังทะรุตมะกาเีณธรรมะเพสนะเอตัมมังทะมุธมง ยิ่งงานนี้เป็นงานที่บูชาคุณโดยเพราะงานศพที่อยู่เบื้องหน้าเรานี้เป็นงานศพโยมมานาของครูบาอาจารย์ของพวกเราโดยเพราะอย่างที่ท่านอาจารย์เด่นท่านอาจารย์ช่วยซึ่งครับถึงช่วงมรดกมาจากครูคบาอาจารย์มัตตูรีทัตต์ปฏิปทารา รบ้าเดินแท้มาจากลุงตาถามตัวอย่างสังคโลกต่อมาเขารูเกียเก่ยวกับเงียยตุนโตมาเตือนใจว่ามาเป็นหลักให้กับโพวกเรเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนเป็นผู้นําปฏิบัติภาคปฏิบัติตรงนี้ที่ลุงตาท่านเด็กแล้ววตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมันรู้เกีย่ย มาบริหารงานตรงนี้แล้เมื่อเช่ท่านทํางานเต็มที่จนท่านหมดหมดอายุไขไปเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าเราจะพูดอะไรเรก็ไม่ผิดทั้ทงอุบาศคอุบาสิกาทั้งคาารูบาอาจารย์พระภิกษุสา ม, มนเณรเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลีอของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอ ย, อย่างยิ่งของห่างตา ของหลวงปู่เจี๊ยบจุนดและท่านพระอาจารย์เด็กท่านพระอาจารย์ช่วยซึ่งเป็นเป็นูปเป็นหลานรับสืบช่วงรบรรณะต่อทอดมาถึงพวกเราสามารถบริหารงานตรงนี้ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ตามหลักตามปฏิปาทาของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่าท่านพยายามเน้น ภูริทัตตปฏิปทารามเราสังกว่าภูริทัตตปฏิปทารามเป็นพารามที่มีวัตถะปฏิบัติเอาเยี่ยงอย่างมาจากหลวงปู่มั่งภูริทักโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงตาอีกทีหนึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงยักษ์อีกทีหนึ่งถ้าหาเราได้ศึกษาเขาทรประวัติเขาเป็นาจารที่แท้จริ ครูบาอาจารย์ท่านจับถึงกันหมดแม้แต่อตาตมาภาพเองก็กำลังพูดคนนี้เดี๋ยนี้เราก็มีความเกี่ย ว, ว, วข้องกานกันได้ไปได้มาหาสู่กันเกีนี้เรานักถึงกันแต่ท่านอา จ, จารย์ช่วยเราก็ไม่ไดม้ม่ได้รู้จักพระโยมมารตาของท่านซึ่งเมื่อกี้เราไปนั่งคุยกับท่านได้ที่หนึ่งท่านบอกว่าสิ้นไปตั้งแต่วันที่แป เรานัดไล่ไปได้มามาถึางวันนี้เป็นวันเพรบวันที่เจ็ดเท่าว่าเป็นวันท 7, ําก็พราะเจ็ดวันที่กับโยมารดาท่านท่านพระอาจารเด่นท่านพระาจารช่วยวเราก็เคานักถึอกันแล้วก็ทราบว่าเผาวันที่สิบเจ็ดรวมแล้วก็สิบวันก่อนี้พวกเราที่เป็นศิษยานุสิธย์ลูกศิษย์ลูกหาทั้งใกล้ทั้งไกล พวกเราก็ไม่ทอดทิ้ครูบาจารย์เพราะงานนี้เป็นงานโยมมารดาของครูบาจารย์ต่อพวกเราเราทอที่ไม่ได้ยิ่งบางคนที่เป็นรับกล้าอตรงนี้ด้วยแล้วสําคัญมากเกี่ยวข้องกันมาแต่วั น, นี้ตั้งแต่สมัยหลวงยังอยูเป็นลูกศิษย์เป็นศิษย์สยามศิษย์พอหลวงปู่ครูบาจารย์ผู้หลักผูใหญ่หมดไปแล้วก็เหลือท่านอาจารย์เดียงท่านอาจารย์ช่วยสืบเชื่อมต่อมาพวกเราก็ได้ยินได้ฟัง ข้ปฏิบัติปฏิปทาคูริทักตะปฏิปทาอันนี้ยังอยู่คนี้เป็นคำหลักทีเดียวเป็นคำกูต้อมมองคนที่ ต, ต่ตางท่านเป็นคนประทานชื่นไท้ว่า น, นี้นะพราะกล้ามาจากตรง น, นั้นเราก็มีเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เมื่อ น, นานแต่ตอ น, นไม่มาตั้งแต่พวกต้นต้นมงต้นไม้นะนะแลู้มีความมาถึงตรงนม้มีนู่นมีไม่มีอะไรก็ได้ไปบ่อยมากบ่อยอยู่ตรง น, นี้ คืพวกเราไปถึงกันมาถึงกันพอมีรู้สึกก็ติดต่อไปถ้าจะเฉียวติดต่อไปเราถึงมาทราบว่าโอ้โย ม, มนาของท่านอาจารย์ช่วยสียนไปแล้วนะับอายุได้91้าสิบเอ็ดปีวนั่นนะนะับอายุได้91้าสิบอ็ดปีท่านเป็นผู้มีโชคมีท่านมีสายเลือด ท่านเป็นยากกับพระศาสนาได้ฝากลูกชายเอาไว้ในพระรูศาสนาทั้งสองท่านพระอารย์เด็กท่านพระอาจารช่วยทารมึงช่วยแล้วฟังดูแลเป็นไงบางที่เราไปนั่งคุยนั่งสนทนาท่านมีลูกศิษย์คนหนึ่งก็ไปฝากเขไปฝากเสียใจเสียใจย่างช่วยแล้วก็พูดคำเด็กออกมาว่าเสียทำไม เราทําความดีเต็มที่แล้วเราจะไปเสียใจทำไมเราฟังคานี้แล้วถึงใจไหมถ้าเกิดเรายังไม่ได้ทําคุณงานความดีเรามาถึงข่าวอุบัติเหตุทุกประภาพทําู่นก็ไม่ได้ทํานี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทอดพระประาบตั้งใจจะทอดกระถิ่นตั้งใจจะสร้างวัดติณิหารแต่ก็ยังไม่ได้ทำํำยังไม่ได้ทำํำมาเกิดอุบัติเหตุได้ทุก คุณภาพพิกลพิการหรือไม่กระตายไปในขณะนั้นแบบนี้เราพูดตามใจเราเสียใจเสียใจเพราะอะไรคราคุณงานความดีที่เราตั้งเอาไว้เรายังไม่นเลครับแต่ถ้าหากเราทำได้โดยลงดับเหมือนโยมอันดาขอท่านพอาจารย์ช่วยอันนี้เราก็อนุโมทนาพลื่องปีจิตยินดีไปกับท่านเราไม่ควรหลั่งน้ำตาแต่การปรงสำเพลยหัวใจนั้นเป็นหน้าที่ของทุกๆคน แม้แต่ครูบาอาจารย์พระในทุกรุ่นตั้งแต่ผู้มีกิเลสจนถึงท่านผู้หมดกิเลสสามารถจะปรองความสันเกตได้สามารถจะพิจารณาปรองไว้ผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสปรองเพื่อความเบื่อความหน่ายความตายความจางในอัตภาพนี้สําหรับผู้ที่เทันพ้นไปแล้วก็มันเป็นการปรองสันเกตในธรรโอ้เที่ยงแท้แน เป็นคุณํารมแท้ๆเป็นความจริเป็นสัจจแท้ๆปรากฏในหัวใจของเราก็เหมือนอย่างดวงมันดาของ่าอาจารย์ช่วยซึ่งปรากฏต่ตอหน้าเราตอนนี้เดี๋ยวนี้ท่านก็ร่วมถึงแต่ตักชีพประชาชนไปได้ครบเจวันวันนี้ที่เราก็ถามครูบาอาจารย์แท้เป็นโรศกบอกว่ามีงานมาีวัดมีการจาัดสรวจจากเทพมาทุกวัน เป็นการประกอบคุณงานความดีทุกที่เถื่อนมันให้กลับโรมลาลดาของท่านมันเป็นการทํางานบูชาคุณการบูชาคุณผู้ที่ควรบูชาเป็นโรมมอมงคลเป็นสริริเป็น ม, มงคลเป็นโรมมอนมงคลอีกเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราไม่ได้ทําเราก็จะได้ทําแต่ถ้าเราทําเต็มแป้เต็มอิ่มแล้วเนี่ยเราไม่เราไม่เสียใจ เราไม่คเราไม่ข้างควรถึงแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นถุงเป็นใครก็ตามเป็นที่เป็นผู้มีอุปการะคนมากเท่าไรก็ตามเราอยากไม่เสียใจเพราะเราว่าทําเต็มที่แล้วหรือบุคคลคนนั้นได้ทําเต็มที่แล้วท่านจะต้องไปสู่สุขภาพแน่นอนเพราะคนคนรานั้นเกิดมาความตายต่างมาด้วยหรือเราจะพูดว่า ทุกคนได้ภุบาทเกิดขึ้นมาในโลกมีความตายดักรออยู่ข้างหน้าด้วยกันทุกคนเรามีความตายเป็นที่สุดเราข้ามต้นไปไม่ได้เพราะขึ้นเชื่อว่าสังขารคือนกองทุกข์ท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นกองทุกข์เพราะฉะนั้นการสลบระลักสังขารได้การเข้าไปสลบละระลักสังขารได้จึงเป็นจุดอย่างยิ่งในสร้างปัสโมสุโ ข, ขสุค การเข้าไปสงบระลับสังขารังนั้นได้เป็นสุดอย่างยิ่งเราดูยังไงเรางการไปสงบระลับสังขารเราพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่เป็นการภาวนาการภาวนานั้นเราเริ่มสงบระลับสังขารตั้งแต่ภาคสมถะมีไหมภาคสมถะเราเริ่มดับระลับสังขารไม่ให้กิตของเราไปไ ป, ไ ป, ปรวมไปฟุง้งเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง จนเป็นเหตุให้เกียรติตัญหาอาสวัรมันสวมรอยเข้ามามันสวมร้อยเข้ามามันต้อเป็นวิบากกันบวกเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปวิบากบวกวิบากวิบากบวกวิบากกรรมเก่าบวกกรรมใหม่กรรมใหม่บวกกรรมเก่าบวกอยู่อย่างนั้นแหละไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นเรากระหน่ำดับสังขารจรงนี้ได้ได้ความสุขไหมเราลองตั้งใจภาวนาให้จิตของรมันจะมีความสุขกระจัดเฉพาะหน้าเราไม่ต้องมีใครบอก ปักหยกต่า ง, งปักหกต่า ง, งให้ประสบพบเห็ น, นวิถีของตัวเราเองแท้ๆไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครพูดประสิทบประซาบใส่หูเราเลยนี่ก็คืออะไรก็คือการเข้าไปสงพระนับสังขารระดับสมถะใช้อารมณ์สถมถะมาภารนาให้เกี่ยวกับเราเองสงบระงับอยู่กับอารมณ์เดียวในขณะเดียวกเราใช้ความปรุงแต่งยุบเราเอาธรรมะปรุงแต่งเพื่อชนะกิเลส ถ้าเ ร, ราไม่เอาธรรมมาเป็นอารมณ์มาปุ ม, มาแต่ให้เกิดเรื่องของธรรมะจิตมันก็จะถูกกิเลสตหาอาสวะเนี่มัาดึงไปปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องอกุศลเป็นเวรเป็นภัยเป็นปากเป็นกรรเป็นวิปปะของเวนของภครของบาปของกรรทําให้เราตกต่ำผลตามมาก็คือประสบความทุกข์เมื่อเช้าเราลองนั่งนั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงเรื่องจิตใจเรื่องวิสัยเรื่องพยาบาทเรื่องการจองเวนจองกรรม เรื่การมีเรื่องคุณคล้องน้องใจกับคนนั้นคนนี้ท่านยิ้งยิบปุ่มไปแค่ไหนท่านยิ้งเหื็ดตาหาความสุขไม่ได้การมาสงบระงับสังขารและจิตเหล่านั้นได้เราเป็นสุขให้เกิดความโปร่อใสแต่กับธรรมะุดุดโตุ้ดโตนี่เป็นการหาความสุขทางลัทธิปกติเราแสวงหางลาภหาเยอะหาเกล็ดหาหน้านหาตาในสังคม หาความก้ามโดยหาหนังานีหาอะไรทุกอย่างในโลกเราต้องการหาหมาเพื่อความสุขความสุขฐานโลกโลกแบบที่เราแสวยหากันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องการแสวงหาหมาเพื่อความสุขแต่ความสุขที่เราแสวงหาบางทีก็สมหบังบางที่ก็ไม่สมหวังมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมอนอย่างเราต้องดิ้นทรมารอ์ทีนี้อัตภาพกลางกายมีความสุขนะ ม, มีความ มีความสุขแล้อมีความทุกข์บางครั้งบริหารธุรกิจมากมายใหญ่โตมีแทนที่จะมีความสุขก็ไม่มีความสุขกังวล่ัเงบุ่นความวุนเ่นี้ถ้าหากไม่มีกิจิรรมการเกี่ยวต่อเรื่องธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วนี่เดี๋ยวความทุกข์แทรกเข้ามาเดี๋ยวทุกข์แทรกเข้ามาเดี๋ยวความเห็นแก่ตัวแทรกเข้ามาเดี๋ยวความอิดช้าแทรกเข้ามาหาเรื่องตะกรอนตรนั้นตะกรอตัวนี้หาเรื่องแสงหน้าตรนั้นแสงหน้าตรงนี้ หาอพยาบาทกับคนนั้นพยาบาทกับคนนี้หาความสุขไม่ได้บางครั้งก็ประสบความสุขบางครั้งก็ประสบความทุกข์ท่านจึงว่าเราสุขแบบเราเล่ามาจากการที่วิ้งตามอารมณ์เราประสบทุกบ้างทุกทุกบ้านสุบบ้านสูบบ้างทุกบ้างซุบซุบติดตอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าเรามาแสวยหาแบบพระพุทธเจ้าถ้าให้เราเจริญสมถะแล้วก็เจริญมิตรสันาแค่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาหนึ่งครึ่งชั่วโมงเ ลองทําดูไม่ให้มันนึกมันคิดมันปรุงไปที่อื่นท่านจะได้รับประสบความสุขอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าจิตของเราผููกํากับควบคุมด้วยสติด้วยสัมผัสัญญาด้วยความตั้งปกตั้งใจอยากได้อยากดีอยากมีอยากเกนผู้อยากให้จิตสงบอยากเป็นสมาธิในระหว่างที่เรานึกเราคิดเราปรุงแต่งเนี่ยเรามีความอยากได้แต่เวลาเราตั้งใจทำจริง ขอใเราตั้งใจทใําเฮให้เต็มที่ก็ได้วรนะับในระหวางที่เรานึกเราอยากได้ผลเราตั้งใจตั้งเจตนาสร้างเฮให้แน่ให้ให้เข็งแรงมั่นค ง, อ, งอาศัยความอยากนี่แหละสร้างเฮให้เต็มที่อย่าไปวิ่งจับเอาผลแต่ถ้าเราไปวิ่งจับเอาผลที่ทำไงก่อนในเมื่อเราใช้ความอยาก สถานะความสุขทั้งความอยากสถานะความสุบมันจะสำเร็จได้ยังไงมันจะมีความสุขได้ยังไงเราตั้งได้แต่หลังจากเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเรามายึดมั่นอยู่กับเหตุอย่าไปยึดมั่นอยู่กับผลเพราะผลมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วก็เหมือนอย่างเราฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ถ้าเราผลของความสุขเป็นนั่นเป็นนั่น คนความรู้วความเห็นเป็นเงั้นเป็นงั้นเปนงั้นเราก็อยากได้อยากดีจิตใจฟุ้งซ่านไปกับความอยากที่เราได้ยิในให้ความอยากทั้นแต่เราได้ยิในใด้ฟังไว้ก็เป็นเพื่อเป็นกาลังใจแต่เวลาเรามาตั้งใจทำจริงๆท่านบอกว่าให้อยู่กับอารอมณ์เดียพุโทโธพุธโทโธขอให้เราทั้งหมตั้งใจอยู่กับพุทโธอย่างแท้จริงลองดูสักครึ่งชั่วโมงให้จิตอยู่กับพุโทโธอย่างแท้จริงจิต ย, ยังไม่ทิ้ทําบริกรรมเลยท่านจะต้อง ได้ประสบความสงบจะต้องได้ประสบความสุขความเบาที่เกิดจากปีติอย่างน้อยๆในการที่เราตั้งตั้งอกตั้งใจดำรงได้อยู่นั้นอารของของฌามันมีขึ้นมาส่งอารมของความเพลเพลินอย่างดำทุโถทุโถทุโถมีสติมีสัมผัสใักษ์พระพุทอยมันเป็นวิตกเป็นวิจาร จากนั้นแล้วด้วยเหตุที่เราป้อนธรรมะเข้าไปในหัวใจของเราแท้จริงอาหารของใจของเราที่แท้จริงคือธรรมะถ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะแล้วเี่เราป้อนทั้งวี่ทั้งวันไม่มีอิ่เราเรานั่กป้อนที่ไหนให้ตะกิดของเราทั้งวันไม่มีอิ่ไม่มีหอลมตาทั้งวันไม่ต่างอะไรกับเราเอาเชือไปใส่ไฟใส่อะไรให้จะให้ไฟมันดับไม่มีโอกาสที่จะดับมีแต่ความ เห่อเห่อเห่เอเห่อเฉยาฉยไม่มีจุดไม่มีที่จบเรานั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงติดตามนั่ขอความอยากความอยากยิ่งจะเพิ่มปูนธรมีปูนไม่มีจุดเหมือนอยาก เ, าเอาเชือไปใสไป่ไฟยิ่งใส่เท่าไรยิงยย่งยิ่งจดเลยอาหารที่เป็นเหยื่อของกิเลสเรายิ่งใส่ไปเท่าไหร่กิเลสมันก็ยิ่งจเจริญเป็นกิเลสเจริญไม่ใช่ธรรมะเจริญ เป็นเรื่องของกิเลสเจริญทำให้กิเลสเจริญเรื่องของกิเลสเจริญนั้นจะเหียให้เราเข้าใจไปรื่องที่ผิดมากกว่าเรื่องที่ถูกในเมื่อเราเข้าใจเรื่องผิดมากกว่าเรื่องถูกเราเข้าใจผิดเราก็ไปถือผิดเราก็ไปปฏิบัติผิดเราก็ไปแก้ปัญหาผิดผิดบางคนตั้งใจจะแก้ปัญหาแต่แทนที่จะเป็นการแก้ยิ่งไปมกเพิ่มก็ไปอีความทุกข์ที่เรามีอยู่แล้วยิ่งทุกข์เพิ่มคูณทวีคูณเข้าไปอีก เราองค์สเรื่องอำนาจของกิเลสที่มันแย่เข้ามาในหัวใจของเราทําให้เราเข้าใจผิดกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากพุทโธให้อยู่ปที่แล้วกันนะพอเรามีความสงบอยู่ในภายในแล้วเราพยายามเอาความสงบที่เป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานมาพิจารณาเพื่อดับดับสิ่งกิเลสทีกเข้าไปข้างในดับตัณหาน้ต ส, สัยที่มีอยู่ภายใ น, ในใจของเรา แค่เรามาสงบพระน้ำให้ตัณหาที่มันจิตยิ่งให้จิตมาหล่อให้จิตยิ่นให้จิตของเรายิ่งิ่งไปตามอารมณ์ารณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นปีนเป็นรถเป็นสัมผัสดึงจิตของเราให้มาอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุโในขณะที่จิตอยู่กับอารมณ์พุทโธเนี่ยจิตจะหาอยากตัณหาที่มันพาเราปีนไปตามรูปตามเสียงตามป่นตามรถตามสัมผัสจิตของเรามันไม่สงบเพราะอะไรจิตไม่สงบเพราะตัณหามันดึงไป คิดเรงนู้นคิดเรื่องนี้เราคเป็นเรื่องดีคิดไปคิดมาเพลินกับเรือนคิดไปคิดมาเพลินกับเรือนี้เพลินก็ไปเพลินก็ไปเพลินก็ไปเพลินละมันเป็นไปแล้วมันมาสวมรอยแล้วพิจารณาไปพิจารณาดูไปดูไปดูไปเลยเพลินไปประมาณเพลินนะมันมีอยู่อย่างนี้เท่านั้นหัวใจของผู้ปฏิบัติพูดอย่างนี้เข้าใจชันชีแต่สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติอาจจะเข้าใจยากหน่ เาใจยากหน่อยเพราะขาประสบการณ์การตั้งใจภานาจิตต้องอาศัยการสังสงอาศัยการผนรมจิตเป็นเรื่องสำคัญจิตไม่สงบเพราะว่าจิตของําจิตของเราไปใช้เราตั้งจิตตั้งเ ก, กจตจามองบริกรรมให้จิตสงบจิตต้องเลยครับความสงบเราฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดท่านแสดงให้ฟังบางทีท่านก็เอาผลที่ท่านปรากฏกั บ, บท่านมาเล่าเราฟัง แต่ถ้าหากเราฟังเทพของหลวงปู่หลวงปู่เกียร์ของเราเนี่ยหลวงปู่เกียรพผู้จะภาคปฏิบัติข้างหน้าเลยนะถ้าท่านถ้าท่านฟังดูแลท่านเข้าใจท่านเห็นคุณค่ามากทีเดียวฟังเทพของครูบาอาจารย์ของอื่นบางสองท่านจะพูดไปเรื่อง น, นี้บเรื่องนี้บ้างหลวงปู่เกียร์มุเมนเราที่เดียวเลยฟังเลยมาเชื่อใครยังไม่เคตั้งกตั้งใจฟังเป็นหลงนั่งฟังเราหลวงปู่ท่านมุนคำที่เดียวเลยนะบางทีท่านพูดสั้นๆแต่ท่านพูดสั้นยัง หนักทีเดียวเลยนะเราสร้างเราดูเดี๋ยวนี้เราก็เปิดวิทยุเสียงธรรมเปิดสงครามเปิดเปิดทุกวันเปิดทุกวันรูปแบบการสลับเปลี่ยนกันเราเปิด24ชั่วโมงถึงร้านก็ตามก็ยังมีการสร้างแบบตรงนั้นวันนลังก็้องอัดคนตรงนั้นอีกวันหลัง อ, อาจจะตรงนันออออนง้ อ, อ, อีกบางทีก็การเราตามมาสร้างอีกบ้างเนื่องจากว่าวันเวลาเยอะก็เกิดคนที่เขาจาก วนไปวนมาวนมาวนไปมัมาสร้างกันถึงบ้านทั้งที่เราสั่งเปลี่ยนผู้บัญาการมากมีญญเสียงทางของลูกตาวิเสียงทางของลูกตาก็ถือว่าเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราเหมือนกันมันเป็นความเมตตาของลูกตาที่ทำเมตตาให้พวกเราสร้างให้เราถาขึ้นมาเราพูดถึงเรื่องการฟังธรรมะเราอยากใครอยู่ตรงไห น, นมีคลื่นของลูกตาฟังให้เราไปฟัง ฟังน้มนนนหลับไปกับเสียงธรรมย่าเป็นศึกเปนมงคลตั้งใจภาวนาอย่างบาทีเราทำไปแล้วมันจริงมันปล่อยไดเกินเอาเท็จคุณอบจานทร์มาฟังฟังแล้วธธตั้งใจภาวนามันจะเป็นคู่แข่งไปกับอารมณข์ของการบริกรรมของเราเราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโดนาณะเดียวกันทรรมะส่วนละเรียนที่เราได้ยินได้ฟังจากหคมเสดเข้ามาบางครั้งอ้โหถูกใจได้เกิน คาพูดเข้มามลัมนมันตรงกับจริยมิตใส่ทมันเกาะาากกาทำให้เราเข้าใจจ้าเข้ามาในาบยในวิธีที่เรากำลังดำเนินอยู่มีคืิว่าจิตมนมุษยอยากพูดถอไปแต่มันได้เกระเสียงคำันนี้ก็ได้ไประโยชน์เอกันนะก็ได้ไ ป, ดประโยชน์รูายจากสมัยตั้งแต่พุทจาทั้งสาชนก็เหมือนกันฟังตามตรองตามส่งไปตามกระแสจิของที่พุทธเจ้า แสดงธรงรมส่งกระแสจิตไปตามกระแสธรรมที่รู้ใจตั้งใจแสดงทง่านพูดถึงอันนี้ังก็เห็นชัดเจนยู่ในหัวใจกำลังส่งตามท่านพูดถึงอนง น, งองงนี้ังทุกคมอนัตตาท่านพูดถึงองย่างนั้นพูดถึงอย่างนี้จิตเข้าถึงตามกระแสนั้นท่านพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรมมีความดับไปเกิดตามัจิตก็เข้าถึงอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นท่ย า, ยทานาอันยากวธราซึ่งท่านเป็นองค์แรกของกส่งเนี่ยท่านจงึงได้รุธรม คุณจะแยกเทียบกันแด้ทรใมจับ ก, กับอนุสูตรพระัญญาโภชนยังได้วดวงตาเห็นธรรมนอนจากวงตาเห็นาเรม่ดเนื้อหาของธรรมว่าชินชินนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาชิ้น น, น, นั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดที่จักก็คือสังขารนิยมอภิจารวัตสังข า, า, า, งข า, างราการทั้งหลายนี้เชี่อมโยงปุปปากระบยธรรมโเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป การเข้าไปสงบและนับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุดเป็นสุดอย่างที่หมดภพหมดชาติการนับได้ขั้นหนึ่งก็คือเราทําจะให้ได้รับความสงบท่านจับหลักได้มากเราพยายามตั้งตั้งบริการมให้จิตอยู่กัพุทโธเอาเป็นอาตายอยู่กัพุทโธถึงเราที่เราบริกรรมทำให้จิตได้รับความสงบเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไป หลายอยา่างสิ่งเรามีกําลังต่อสมควรอยากพิจารณาถ้าให้พิจารณาตั้งอกตั้งใจเอาเป็นรอาตายพิจารณาการตั้งใพิจารณาคือการใช้ปัญญาไม่จออยู่กับอารมณ์เดียวถึงแม้ว่าเราจะจออยู่กับอารมณ์เดียวเราเั็นไม่แห้งนิจจากทุกหน้าตาจนได้เห็นทึบเข้าไปมันก็เป็นเรื่องของอ ก, อ ก, าากิรปรึกษาจากที่ปรึกษาก็ตามจะสมถกะก็ตาม มันเป็นการทํางานอย่างถูกจุดถูกเป้าสมถะก็ทำเพื่อสงพระงับดักสมุทัยในหัวใจของเราวิปสัสสนาก็ทํางานเพื่อตักสมุทัยในในใจของเราสมุทัยก็คือตัณหาตามตัณหาภวะตัณหาพิภวะตัณหาเราไม่ต้องไปแยกเราไม่ต้องไปแยกว่าการมตัณหาภาวตัณหาพิภวะตัณหาเรานดูไปที่ความอยาก นั cues, 謝謝่งตำรวจจับจ่อเดินํารวจจับจอพิจารณาให้ทวนความอยากที่เกิดขึ้นในใจของเราความอยากแบบไหนที่เป็นความอยากชอบด้วยธรรมความอยากแบบไหนเป็นความอยากที่ไม่ชอบด้วยธรรมสิ่งที่ไม่ชอบด้วยธรรมความอยากที่ไม่ชอบด้วยธรรมเป็นความอยากตามอำนาจของกิเลสทั้งนั้นความอยากตามอานาจของกิเลสเป็นยังไงกิเลสมันชอบยุกจิตของเราให้เปล่นเปลี่ยว ปีนเปลี่ยวกับสิ่งปีนเปี่ยวกับธรรมอยาก่าสัตว์นักอยากทำอยากรักชาตินักอยากรักอยากผิดลูกเมียของตัวนั้นคนนี้นะอยากผิดมันท่าทายเหลือเกินนักหนักคือกิเลสเพลงขอกกิเลสเป็นย่งไงความอยากอะไรนั้นเป็นความอยากเมื่ออำนาจของกิเลสอยากพูดเก็พูดพูดพูดกดพูดโกหกโม้เท็จอย่างนั้นอยู่นี้อยากพูดอยากพูดหรือบางทีใช้กิริยาเท็จ การใช้กิริยาเทเสนท้นแค่เดียวโอกหมดเท็จให้พยายามเท็จอะไรเท็จเนี่ยทำให้ไรานะทำให้้เราได้คุณค่าได้ราคาได้ค่าตอบแทนทถ้ามนต์ท่านี้เห็นแก่ค่าตอบแทนเนี่ยอย า, ทอยาอกทํา อ, านะอยาู่เป็นเรื่องของการกินเกลียวเท่านั้นอยากินเหล้ามะอย่ากินนี่คือเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันปีนเกลียวกับศีลกับธรรมอันนั้นเป็นระเบียบนะ นันเป็นกฎหมายบ้านเมืองนะมันชอบปีนเกลียวมันชอบค้าทายเรื่องของเกลีดมันชอบค้าทาย อ, อาหารเยอะเกินอาหารเยอะเกินในสังคมเด็กๆของพวกเราเราก็ไปได้ยินคำหนึ่งเขาพูดว่ารู้สึกเป็นเรื่องชื่นแทนงเนนะมื่อไหร่เวลาเราเจอหน้ากันกล้าไหกกล้าไหมมันเป็นทายุ่กันให้เสียให้เสียหายเด็กที่เคยนิ ส, ยสัยสงบเงียบ สุดผมเลืยกเปลี่ยนเพราะถูกกระตุนะ้นไปด้วยคํำแบบนี้อะมันกลา้าทําอะไรที่มันลนดผนที่สุดเด็กมันชอบสแสดงอย่แล้วไหนสะ ด, ดึงดึงเด็กออก น, นอกห้องนอกฐานถ้าหากไมกล้าไหมเรามีความรู้พอไหมมีมีความรู้ทันไหมถ้าเรามีความรู้ไม่ทันมันกลา้าไอ้สิ่งที่พาผิดไปตามอํำนาจของกิเลสแต่ถ้าเรามีคุณธรรมเรากล้าทําในสิ่งที่เปลี่ยนธรรมทุกยากลําบาก ขอให้เป็นธรรมต่อตั้งตั้งใจทําพอทำลงไปแล้วมันชื่นใจมันพืึงใจมันปีติดมันยินดีนี่คืออํานาจของความเป็นธรรมกับอํานาจของความเป็นกิเลสอานาจของความเป็นธรรมนั้นมันไม่ชอบปีกเกลียบมันชอบเป็นไปตามหลักของสิลจสิ่งตั้งร่างใหมหลักของการภาวนาจิตในท่าความสงบเป็นยังไงหลักการประพฤตอนให้เป็นคนดีเรื่องกายเรื่องวิจญาณใจตามข้าที่เราศึกษามาด้วยด้วยหลักของสิ่งต้องทน ทานพูดว่าไงด้วยระบบด้วยระเบียบตรงนั้นตรงนี้ขอ้อวัดปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อันไหนเป็นสินไห น, น, นเป็นธรรมเราก็เอาสินี้มาถือมาพิสูจน์ปฏิบัติแต่ถ้าเป็นเรื่องของเกเรมันชอบเปลี่ยนเปแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมเนี่ยมันชอบตามธรรมทำตามธรร ม, มทำจนเป็นจริตจนเป็นวิสัยรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่ อ, อนเกเรมันมัน มันหวาดมันระแวงที่สังเกว่ามีเยิตมีโทตัดปากมีความหวาดมีความกลัวกลัวกับเหตุกับผลจากคนที่กินของเราจะกลืนได้เราแต่ถ้าตรงกลางข้ามไม่มียิบไม่มีบทตัดปากไม่มีความเกรงกลัวต่อผลบาดผลกลัมที่เราจะถึกสร้างถึงทำอันนี้คือความอยากเรืองหน้าของของกิเลเราครับความอยากของหน้าของธรรมถ้าหากไม่มีความอยากที่ชอบด้วยธรรมเราจะเอากําลังที่ไหนหมา มาปรากิเลศเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นมาเกิดเกิดขึ้นที่หัวใจดวงเดียวนี้ธรรมะที่จะเพิเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในหัวใจดวงเดียวนี้เพราะอะไรเพราะเราได้ใจมาใจของเราไม่บริสุทธิ์มีธรรมสวดมีธรรมมาส่วนหนึ่งมีกิเลสมาส่วนหนึ่งถ้าจากเราลงย้อนไปดูผู้รู้ของเราได้มาอย่างไงผู้รู้ของเรามันได้มาเพราะอวิชาอภิชาคือความไม่รู้ ความไม่อรู้ตัวนี้เป็นปักจจัาชั้นเที่ยงเราลองลองเอามาพิจารณาดูเราลองมาทําใจให้สว่ายไม่มันมืดไม่ให้มันตีมันตันในหัวใจของเราไม่ให้ความรู้ไม่ให้อวิชชามมาหอหุ้มครอบคุมจิตของเราตอนนั้นอวิชชาเกิดขึ้นได้ไหมอวิชชาเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้คือสาเหตุพื้นผื้อสาเหตุต้นต่อที่ทําให้เราย้อนไปดูแล้วเราจะเห็นว่าการที่เราใช้สติใช้สังขัญญา ดำรงมั่งกับวิยญาณุสาหัสความภาคความเพียรสามารถทําให้เราตัด ก, กระแสของกิเลสในหัวใจของเราได้จริงสงกระนับได้จริงๆสนงกระนับได้จริงๆเราจะเห็นเราจะเห็นว่ากิเลสปัญหาสะว่างมันทำให้ใจิตขอเรามืดทึบตราบใดที่เราตั้งโรูไ้ได้จะเห็นความชัดเจนสะว่างในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นกิจจะเริ่มสงกตอนที่เราตั้งตัง้งใจให้ติดอยู่กับอารมณ์เีย จิตเคยมัวๆทก๊ดๆจิตดูนั้นจะเริ่มสว่างจิตจะเริ่มผ่องจิตจะเริ่มใสนับตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปทจิตจะเริ่มผ่องใสบางคนบางคนจิตภาวนาจิตยังไม่ได้รับความสุขเลยกลัวจิตสมาธิกลัวจิตสมาธิท่านทั้งหลายท่านกลัวจิตสมาธิตั้งแต่ตตั้งแ่ท่านยังไม่มีสมาธิคิดว่าสมาธิเป็นของกล้วยมันไม่กล้วยนะสมาธิ เราไมต้องตั้งใจทําให้มีให้เป็นเธอเพราะเราทํามีทําเป็นมันจะได้เป็นพลังจะได้เป็นกําลังเป็นกําลังกระทุนเป็นกําลังคอยกดหนุนถ้าพูดถึงว่าเราพิจรารณาทางด้านปัญญาในปัจจุบันพิจรารณาเราพิจารณาไปจก่งจิตของเราไม่มีพื้นฐานของความสงบมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับเรามีแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่มีแบตเตอรี่ประการตุนเอาไวา้ เราพแแรืจ้ามันส่งกระแสตรงมาเราใช้งานได้พอหมดแสงมันไม่มีที่เก็บหมดพลังที่จะใช้หมดพลังที่จะใช้อันนี้เป็เปรียบเทียบถ้าเราเปรียบเทียบมาถึงว่ากิจเรามีสมาธิหมายความว่าเรามีหม้อแบตเตอรี่เก็บไฟเอาไว้ฝนจะตกหรือไมก่กลบงคืนมันมันไม่มีแดดเราสามารถใช้พลังที่เราตักตุนเอาไว้ได้ ใช้กลางกลางที่กัดกินได้ปลางวันลงมาเพิ่เราใช้กันงวันด้วยทัางคืนเหลือค้างไว้ให้เราใช้เหลือค้างไว้ให้เราใช้ด้วยคุณสมบัติของสมาธิกินเป็นเนย่างไให้เราอิ่มอกอิ่มใจสว่างสวัยมีความรู้อย่างแปลกปราอาศจรรย่เป็นความสุขเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เช่นนะันและก็เป็นความสุขที่ไม่มีสุขเหมือนยิ่งยิ่งกวา่า แห่เราสงบระนับสังขารภายนอกแค่นี้ได้ให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์เดียวเราก็มีความสุขการเข้าไปสงบระนับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขอย่างที่รวมไปถึงว่าไปสงบระนักดับสังขารส่วนที่เป็นกิเลสตัณหาอาสวะให้สงบระนับลงไปได้เพราะฉะนั้นท่านให้เราเดินสมาธิและให้เราเดินปัญญาการเจริญปัญญาก็ญญาจะอยู่อย่างจิตของเราเนี่ยลงลึกไปถึงตัณหา ลองไปถึงส่งไทยการมาตัญหาเพราะว่าตังหาวิเคราะตังหาเราพิจารณาย้อนไปที่ความอยากในหัวใจของเรานั юсь, kar, ge, ่นแหละคือตัวตังหาความอยากในหัวใจของเราที่มันอยากชอบจะมีนปีนั่นแหละคือตังหาอยากผิดเรื่องอยากผิดสินอยากผิดธรรมอยากผิดโน่นนี่มันเป็นเรื่องของตังหาพยายามลดพยายามละพยายามเลิกพยายามตัดลดจดจ่อเจ้าดูมันมีความลุ่งหลงที่กาย มันมีความร่วมหลที่เวทนาที่สัญญาที่สัขงขารที่มิจฉาท่านจะใช้ปัญญาทีพิจารณาเพื่อทำํำลายความรู้ความเข้าใจว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นทุกบาอาจารย์ท่านจึงให้มักที่คายคลี่ชายด้วยการพิจนนารณาอนนี้อย่างที่ขังอัตตาเพราะอนนี้อย่างขังอัตตามันจะมีประจำกองสังขารสังห้าเพราเรามันเป็นกองสังขารนะขังหนะ้าเพราเราเป็นกองสัขงขาร ถคาสนุกพระนับดับสังขารเหล่านี้ได้หมายความว่าเราดับเพรดับชาได้เป็นสุดอย่างจริงเป็นสุขยังไงเป็นความสุขท่านใช้คำว่าประมาณสุ ข, ขานประมาณสุ ข, ขานสุขขั้นไหนระดับไหนคนทุกคนโทษแค่แค่อาการคันของเราไม่คันขึ้นเรายจะมีความสุขสนุกพระนับเหมือนอย่างเราไอเข้าแคบๆเนี่ยเรากลมอะไรเข้าไปพอสนบพระนับ การหายได้หรือความคันเราสงบพละได้เป็นการเป็นคาราเราก็มีความสุขแต่ถ้าหากเราทานยาหรือเรากินยาเพื่อให้สาเหตุเหล่นั้นต้นต่อที่จะให้คันให้อิ่เหล่านั้นมันหมดไปเราจะมีความสุขมากขนาดไหนเขาบอกว่าเราไปสรุปพระนักดับสังขารทั้งหลายทุกวงที่เป็นส่วนของสมทุทัยได้เราจะมีความสุขอย่างยิ่งความสุขทั้งนี้เป็นความสุขที่ ไม่จำเป็นจะต้องให้เราวนมามีภาตุมีขันเพราะกองธาตุกองขันจะวนกลับมานั้นคนคนนั้นจะต้องมีภพชาตภพชาติเือมากเยอะน้อยเท่าไหร่ก็ตามตราบใดที่เรายังมีภพชาติที่เราจะต้องไปสำรวจถือว่าต้องมีความทุกข์แม้แต่ไปเกิดในสุทธภาพรโมโลครูรุ่ยยาท่านอยากทรงตำแหน่ครูบาอาจารย์ท่านอยากทรงตำแหนง่งนั่นไปเกิดตรงนั้นกองทุกข์ก็ยังจะมีอยู่ตรงนั้น เราเกิดที่ไหนที่นั่นคือความทุกข์เพราะความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นความทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ความทุกข์เท่านั้นดับไปสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นสิ่งนั้นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงแระดับไปในที่สุดเราจะไปกระเกียนสิ่งนั้นให้เป็นไปตามใจหวังสักอย่างเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นสังขารที่เราเกี่ยวข้องมามีสิ่งที่แฝงอยู่ลักษณะของมันคืออนิจจังทุกาังนักตา ร่างกายรูปกระถางก็เป็นกองสังขารนามกระถาทั้ง4ี่ก็เป็นกองสังขารสังขารรูปกระถางนามประกอบกันเป็นกองสังขารกองสังขารต่านี้พัฒนาไปตามรูปแบบของศีลของธรรมก็ถือว่าพัฒนาไปในแง่ทําให้จิตใจเราสูงขึ้นเด่นขึ้นคุณธรรมสูงขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าพัฒนาไปตามรูปแบบของกิเลสก็จะทําให้สังขารที่จิตของเราเนี่ยตกตามลง ที่ทีจนไม่ยกับความเป็นมนุษย์ดับชีพลอยจนไปไปอาภัยอย่างน้อยๆมักเกิดเป็นสัตว์อันตายร่วมกับมนุษย์แต่เราดูความทุกข์ยากลําบากในพวกช่างทำความเป็นสัตว์อันตรายมีความทุกข์มีความยากลำบากอย่าเราเคยเห็นแมวป่วยเคยเห็นชุนัขป่วยเราเคยเห็นไหมชุนัขบางตัวมันหยุดพักเหยียบพัดจนขาข้างหลังเนี่ยอามาพาดหมดเดินไปที่ปุยไปขาข้างหน้าสองขา ไปเคยมามาข้างหลังมันอย่างแหวบวัดน้อนจอบแม่งวันลงใส่น้อนจอบยููเย่ยู้เยยุ่งยากทํำอะไรไม่ได้ตะกุยหาอยู่หาทิ้บางคนเลิกใจดำเลิกเกินไม่รู้เอาหาไป็ี้ไปปล่อยรับไปหาที่อยู่ไม่มีเมื่อก่อนนั้นอาจจะมีเจ้าของพ่อถูกอย่างนั้นอ่แลเร่าดูเกิดความทุกข์ก่อนที่เขาจะตายเขาจะมีความทุกข์มากขนาดหนถึงร่้งก็ตาม มันยังมีไปนี่มาหาอยู่หากินได้อะไรอะไรได้เราดูว่าอาหารของเขาคือเขาต้องแย่งกันเขาต้องกัดกันเขาต้องขี่กันเขาต้องอะไรอะไรสัตทั้งหลายที่มีอยู่ตามป่าตามหลักธรรมชาติของมันเราดูใ e นสาระกเรียเราเห็นไหมสัตว์มันเบียดเบียนกันมันได้ตักกันได้ขี่กันได้อะไรกันสดสดร้อนรอนเคยเห็นพวกช้างช้างที่ถูกเสือมันล่าเห็นไหเสือสีห้าตัวมันขึ้นรุมช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่ใหญ่เลย มันขึ้นไปข้างหลหนึ่งตัวสองดวงกัดขาหน้าขาหลังกัดไปกลัดมากัดมากลับไปกระดูกกระดิ่ตายเราล็อกไหนสยู่มันก็กัดกินทั้งทั้งที่ยังไม่ตายนะครับดูที่ทรมานไหมนั่นคือพวกชาติทั้งตอนเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นท่านจิงถือว่าเป็นอับบายเป็นพวกชาติเป็นอับบายถ้าหาเราทําตัวไม่ดีไม่เหลือคุณสมบัติความเป็นมนุษย์จะต้องได้เป็นสัตว์เดือดฉาบเป็นเปรตเป็นอสุรกาย จบวครับเอาเองขณะไหนก็ตามเปพบชักที่ตรรมหมายความว่าผูา้รู้ของเรามีคุณสมบัติไม่อพอเราทีนี้เราก็เสียวสํนิบบทว่าโอ้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องสิ่เรื่องธรรมไม่มีเมื่อเห็นที่เราเป็นอย่างนี้เราเคยมีมนุษยธรรมมาเราเคยมีสิ่มีธรรมาบางครั้งคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เต็มอาจจะบินข้อนั้นบ้างบินข้อนี้บ้าง แต่ก็ยังมีข้อนั้นมีขอ้อนี้ทำให้เราได้บัรเปน็นุเราจะเห็นคุณเราจะเห็นคุณสมบัติของมนุษย์ไม่เท่ากันเห็นความสุขของมนุษย์ไม่เท่ากันบางคนเกิดมาตกตรรมลำบาก ต, ตาาา้องามมีสติที่มีปัญญาบางคนมีสติมีปัญญาดีบางคนเป็นปัญญาชนบ า, บางคนเป็นอริยชนบางค น, น, น, งนเป็นอริยะบางคนเป็นอริยะนริยะบางคน็นริยะนบานเปอางกนนานนริางองคองราปอยางคนนไม่เท่ากัน แม้แต่คุณสมบัติของความเป็นนู้ยิ่งเราพูดถึงว่าเราจะต้องวนเวียนไปในพระกัตริย์สังสไม่มีจบไม่มีสี้จบ mm hmm. เฮ้ยยังมีพระเสียญาติเมตไตรจะมาออปาอัตรข้างหน้าชาตินี้เราผิดนั้นเราผิดนี้เราตั้งตัวก็ได้หรือเราอาจจะมาตั้งตัวตอนนี้เราทําสัมภารไปเพือ่อพระเสียญยาติเมตไตรพบชาติที่พบชาติหรือแผนดินที่พระเสียญยาติเมตไตรท่านจะมาบอาบนั้น ท่านจะมาอปัตรท่านจะมาบัตรคนที่ไปเกิดทางศาสนาพระองค์นะเป็นคนดีทั้งนั้นถ้าเราไม่มีคุณสมบัติพอไม่มีโอกาสที่จะเห็นพระองค์ถ้าเราไม่ตั้งใจให้ทางรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปเราไม่มีโอกาสได้พบได้เจอแล้วเวลาพระองค์มาบัตรพวกเราไม่อ ย, ไ อ, ไม อ, <laughs> ไอยู่ขุ้งไหนก็ไม่รู้อะไปอยู่คุ้งไหนก็ไม่รู้มีลำบากมาก เพนะราะฉะนั้นใครตั้งใจทําปฏิบัติมาเรื่องเลี่ยวยมรคนปรารสน า, วาความพ้นทุกข์มาตั้งแต่พระอูษัโทโธก็ไปยังไม่ได้โกนาทัปโณกัดสะปูก็ไปยังไม่ได้แม้พระโคนทโมก็ไปยังไม่ได้ด้วยเหตุที่มีเรี่ยวแรงตั้งใจจะไปให้ได้จะไปให้ได้จะไปไ ด, ไปได้แต่มันไปไม่ได้ด้วยเหตุใดเหตุนหนึ่งเป็นอุปสรรคแต่ถือว่าคนนั้นสั่งสมอบรมมาพอสมควรอย่างนี้เมื่เสียระยไเมตไตรมาลปั๊บ ก็คงจะเป็นขบวนสุดท้ายที่จะมารับเราไปได้อย่าไปคิดหวานว่จะได้พบภาษีเงิยืมในไตร่ไตร่ม่ง่ายไม่ได้พบกับคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องสิ่งเรื่องธรรมแม้ทั้งที่รู้อยู่แล้วไม่มีบังที่จะพอบางทีไม่รู้หัวใจมันเอียงไปตามตัวตนที่มันมีอยู่รอบข้างตัวเราอย่าคิดว่ามันจะดึงไปเกี่ยวกับเรื่องสิ่เรื่องธรรมได้ง่ายการตั้งการสร้างพื้นฐานให้กับชีวิตของเรากินเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบาก ท่นานหลายไม่ยากเลยไม่ลำบากถ้าเราเอาศีลเอาธรรมเป็นยาเป็นประทานมีครูบาจารย์มีที่ฝึกหรือที่อบรม ท, ที่จะให้ทางที่จะตั้งใจรักษาศีลที่จะตั้งใจประบฤติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยข้อตอนนี้อุริสทั ก, กปฏิปทาราวครบาอาจารที่ท่านอยู่สึบเช่วงต่อท่านปรมีหลักมีเกณฑ์ท่านโปอบรมให้พวกเราทั้งหลายได้ยู่ไป้ฟัง อันตรายอย่าทำโอกาสมให้เสียไปเราคอยรับน้ำ้างไปรับ น, นี้บ้า ง, างไม่ทิ้ฐทางไม่ชิ้งสิ่และก็ไม่ทิ้ทงภาวนามีโอกาสก็มาอยู่2องวันสามวันห้วันแล้ว ก, กลับไปเป็ปีทั้ปีเราก็กลับมาอีกก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราใช้หาใช้โอกา ส, ส, กาสเพื่อตั้งใจมาฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะอย่างที่การเอาธรรมะเข้าสมมติใหญ่นั้นเราทอดทิ้งเรื่องการไม่ยินดีฟังไม่ได้สุตักกินตัน ไปด้วยกันกับภาวนาบางที่เราตั้งใจจะภาวนาอย่างเดียวฟังธรรมครูบาอาจารย์ฟังออกอาศัยว่าได้ยินไม่ฟังบ่อยๆได้ยินไม่ฟังเลยเอามาค่าย์เก่วนทีนี้ก็บอสจิตามียะปัญญากินตามียะปัญญาโอกาสที่จะเป็นภาวนาเมียปัญญามันก็มีได้ถึงเพรมันมีเหตุมีปัจจัยกินตามียะปัญญาก็ไม่เคยเอาไปคิดไปใค่าย์ไปวนมันไม่มีวิปาะกรรมที่จะทําให้เราเอาไปภาวนาแล้ว มันไม่มีผลสืบช่วงมาทําให้เราเพิ่มใจในการภาวนาไม่มีสิ่งนีจึงเป็นเรื่องสําคัญมากจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะทำให้เราเสียดายเราก็รุ่งงานแบบนี้ถ้ามีการพูดธรรมะคบาอาจารย์ท่านมาพูดอาจจะเป็นธรรมะเดียวกันแหละอันนีจังทุกคังหน้าตาแตคมมคา่คนละรสคนละชาติคนละสมองคนละโภคาเพราะเราตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจภาวนาไปในขณะเดียวกัน นี่เป็นเตียนที่หลวตาต่างๆเอาไว้ท่านบอกว่าการฟังพี่และกเรานั่งฟังภาวนาไปด้วยถ้ารา ไ, ได้ผลได้ผลกว่าเราน้าทำในลาทํายิ่เรามานัา่งภาว น, นาเป็นหมู่เป็นพวกเหนื่อยหมู่พวกพยุงเราได้นะอย่าลืม น, นะหมู่พวกพยุงพยุงเราได้หมู ung, ่เพื่อนพยุงเราได้อย่าคิดว่ามาสําคัญคนเราถึงคราวที่เรายู่กับหมู่กับเพื่อนไม่ได้จะเหยียดขัดข้อ มันบอกเองมันมีคุณธรรมที่ทําให้เราคลาดจากโอกาสจากขณะจิตในกระนการกำหนดจดจ่อมันมีอยู่แต่ถ้าเราไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยหมูเพื่อนช่วยเรียนเราได้โดยเชื่อว่าถ้าเรานั่งนอนที่ถ้าเราไม่นั่งคนเดียวมันจะได้ขอเครื่องชี้หมอบไหมดีไม่ดีหาทางหลบน้นหลบนี้พลิกน้นพริกนี้เปลี่ยนน้นเปลี่ยนนี้พอเรามานั่งกับหมูป้าเนี่ยไหนจะต้องราระวังถ้าไม่ระวังแดี๋วหงายเขาให้หมูรูมอายเขา เอออาศัายเฮียหรืหอรรรอาศัยโกตะปากก็จะเหยียดพยุงเราพ่ายด้วกันนะลองดูสิถ้าไม่เชื่อมีความจําเป็นอยู่นะการที่เรานั่งภาวนากับหมูหรือมีมีอณิสงส์อยู่พิ่จะให้เห็นุูให้ตออกหรือเรานั่งฟังอยู่อย่างนี้ขอเราตั้งตั้งใจทำจะทาให้เราเก็บคุณงาความดีเข้าสมมติใจเก็บสติเก็บปัญญาเก็บความก็รู้เข้าสมมติใจนี่เป็นการสะสมเป็นการอบรมจึงเป็นเครื่องสาคัญ เพราะฉะนั้นวอนนี้พวกเราไมา่ทิ้งโอกาสอันนี้อาตมาก็มีเนี่ยข้ามภาวนาถึงผลถึงอานิสงส์แล้วก็ให้พวกเราพยายามทำจิตอห่างมีรักความสุขทานศีลพวกเราอย่าไปย่ำอยู่แต่กรที่ถ้าใครไม่เคยเสนใจภาวนาท่านตั้งใจให้ทานเต็มที่ตั้งใจรักษาศีลเต็มที่อย่างมากที่สุดท่านตายและท่านไปฝนสว่างอย่าลืมว่าคนสว่างนั่นะเป็นพิษสงท้องตามันข่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้พุทธเจ้าท่านถึง แสดงถึงแสดงโทษของสว่างฟังดพุทธิยถท่านแสดงทำกับยศักดรรุณบุตนะท่านพูดท่านแสดงถึงทานนธรศีลนกธรรมศัก ข, ขะธรรมเพราะผูดตั้งใจรักษาศีลให้ทานนะ่ตายไปแล้วไปเกิดบนสวรา์จะได้ท่านแสดงอาทีนธรรมแสดงถึงโทษของสวรา์บนสว่สวางน่เป็นเรื่องของกรมคุณเป็นแพร่อยู่บนนั้นใครอยาก เต็มอิ่มกับเรื่องของกรรมมรรคผลตั้งใจให้ฟันตั้งใจรักษาศีลไม่ได้ตั้งใจภาวนาไปเกิดบนสวรรค์หลงเพลินอยู่ในนั้น่ะลืมบริโภคลืมบริโภคแม้แต่อะไรที่เป็นทิศทิศลืมบริโภคจนเป็นล้มเป็นแล้งก็มีเพลินอยู่กับกามมรรคผลนันแต่ยังมีโทษนะผู้เรียนผู้ชมแสดงว่ามีโทษอาทีและวัฏฏะผู้เรียท่านชมแสดงถึงโทษ เราไม่ต้องดูโทษมากแบบโทษร่วงกรรมคุณเรารูไปที่ความเป็นอยู่ของเราในครัวเรืองหนึ่งในครัวหนึ่งในครอบครัวหนึ่งแค่หั ว, ห ว, หวกับเมียเท่านั้นแหละดูดิรักกรนก็รักกานคนจะเป็นจะตา ย, ยาเวลาเปรียกกันเอากันตายเรารู้ที่นั่นคืโอโทษร่วงกรรมคุณแล้วก็มีหนึ่งแล้วก็ไม่พอมีสองมีสามบที่สามมีไปอยมีกังทีปริยาไปมีนั่นคือโทษรอวงกรรมคุณเวลา อยู่ด้วยกันก็หงุดหงิกันเป็นทุกข์เป็นร้อนแก่กันและกันหงุดหงิดกันบางทีก็หัวเจ็บหัวไข้เมียเจ็บเมียไข้หัวกระทุกเมียหัวเจ็บหัวไข้เมียกระทุกบางทีหัวตายเมียกระทุกบางทีเมียตายหัวกระทุกบางทีมีลูกขึ้นมาลูกเจ็บลูกป่วยก็ตายก็ทุกข์นอกจากนั้นเสแสร้งหาการทำมาผิดมีมือโทษของกรรมเราวนเรียนอยู่แค่ทางแค่เสีย เราก็จะได้บริโภคเฉพาะ ก, การแต่โทษของการมีอย่างนี้ถ้าพู้นิจจาไม่งสมแสดงเรื่องโทษของการคนก็จะเป็นติเทียนสวรรค์ต้องการปรักนะักคนรุกก็ไม่คนรู ก, ร ก, รกพราะฉะนั้นท่านจึงสแสดงอานิสงส์ของการออกจากราวอ่าอ่าอารทีนวะนิสังสกถาอานิสงส์ของการออกจากราวเสร็จแล้วสมแสดงหลักอริยสัจสีถ้าไม่ไขหลักสัจธรรม ที่จะเอาจิตอย่างเขาถึงหลักสัจธรรมที่แท้จริงอย่างน้อยๆก็เห็นตัวไปเห็นตามันก็จิตมันก็ไปไม่ได้เราจะดูอนุปัฏฐาฐานห้าพุทธิย่าไดทรงขำบอด้วยหลักอริยสัจสีนั้นเรามาพิจารณาดูว่าพุทธิย่าท่านบอว่ากามเป็นทุกข์การมเป็นทุกข์การมเป็นทุกข์เลยมาพิจารณาอยู่ดูในความเป็นอยู่ของเรามันเป็นทุกข์หรือไม่กรรมมาคุณกรรมมีคุณนิดหน่อยมีโทษมาก ควาอยู่ครอบครัองเราเนี่ยเป็นทุกเป็นทุกแต่การมีสินค้าเรามีผัวได้เรามีเมียดได้การมีการบริโภคการราคะหรือการบริโภคการการเมียถือว่าเป็นไฟนะราคะกินาโทรศัพท์พินาไฟคือราค า, ไฟ ค, า, คาไฟคือโทรศัพท์ท่านถือว่าเป็นไฟแต่ถ้าหากไฟที่เราใช้กับสามีกับภริยาท่าถือว่ายังเป็นไฟในเตาอ่านะ เกิประโยชน์ปรุงได้ปิ้นได้ต้มได้ย่างนั่นอะไรได้ทั้งนั้นสามีภรรยาที่มีที่ได้การอุปบัติขึ้นมาเพื่อเป็นคู่บารมีช่วยเสริมบารมีแก่กันกันมีอยู่สามีช่วยภรรยาภรรยาช่วยสามีช่วยบรรลุภอบช่วยให้กำลังใจแก่กันและกันเป็นไฟอยู่ในเตาถึงคราวเราบริโภกกันต้อง็บริโภคไปแต่ถึงคราวเราหามุมสงบ เราก็หามุมสนุบเพื่อตักการออกจากหัวใจของเราใจมองเราตักออกจากการมได้ยังไรลองเทาน้ะใจสงบดูใจจะไม่นึเรื่องรูเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรเรื่อสัมผัสซึ่งเป็นอารมณ์ของกรรมสีนนัมอารมณ์มานัมเป็นอารมณ์ของกรรมนะใครตักความนึกคิดอยู่กับอารมณ์พุทโธได้อย่างเดียวจิตของคนนั้นจะเริ่มเริ่มห่างออกจากการมใครเอาจิตออกจากการมได้ถ้าเราจะเทียบเหมือนกับ ถ้าเราจะเทียบคนคนนั้นเนี่ยมีพื้นมีป่ามีถานให้ดับจิตทุกตัวเองถ้าจะเทียบงั้นไม้ที่เราจะเอาไปถูให้เกิดไฟเป็นไม้แห้งแต่ถ้าตรากันข้ามแล้วเนี่ยถ้าว่าเราเราอยากเข้าวนาอยากเข้าถึงธรรมอยากเข้าถึงธรรมอ่าเข้าเขาว่าเราเอาไมา้สดชุมด่มเนยยางที่แช่อในน้ำเอามาถูให้เกิดไฟรุ่นเดียายสงสารว่าเนืยปล่าเนยปล่า เมื่อเวลาโอกาที่จะทําให้เกิดไฟแรกขึ้นมาเมื่อเห็นในการถูไม้สดมันเป็นปัญญาไม้สดชุบด้วย่างถึงจะไม่อยู่บนบกและอากาศถ้าเราจะเทียบเหมือนกับพวกเราละบานักช่องมาบําเพ็ญธรรมไม่เกี่ยวข้องกับการมงคณทั้งหลายทั้งปวงแต่จิตของเราพวงถึงเรื่องตารมีสระเพาจิตยังไม่ออกจากตายกห้ออกจากตามยุทแต่จิตยังไม่ออกจากตา ก็เงินไม้สดชุบโดยอย่างถึงจะไม่แช่อย่ในน้ําสินห้านี่แหละเป็นไม้สดชุบโดยอย่างด้วยอะไรยังแช่ในน้ําอีกอะมันเบียดแล้วไปอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราไม่ได้ออกบวชไม่ได้เอากายเราออกจากตามมาแต่เราสามารถหาบุญสงบภาวนาให้จิตขเราสงบเพื่อจิตของเราออกจากตามได้เราฟังหลวงปูบาจารนของเราบางองเงี้ยท่านได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่ เป็นผ้าขาวหรือก็มีถ้าเคยคคยได้ยินได้ฟังก็จะรู้จักเพราะอะไรเพราะท่านตั้งใจภาวนาจิตได้รับความสงบพรอจิตสงบแล้วเราสามารถพิจารณาเกิดความชอบธรรมเกิดความเป็นธรรมจิตมันเป็นไปแต่ถ้าจิตไม่สงบมันยากนนะตั้งลบตั้งลบตั้งลบตั้งดีตแล้วก็ล้มอยู่นั่นแหละเนื่องจากว่าแค่เราสมบระนับจิตให้สงบมันสมบระนักไม่ได้ฉะนั้นเราจะไป ตามหาปิเด็ดัญหาราคาโทารศัพท์โมหันในหัวใจสำหรับเจอมันตามไม่เจอมันมาสวนรอยเาไปเล่น ง, งานอยู่เรื่อยมันไม่ทางดอกเรื่องของการมีความสงบมีสมาธินั้นจึงเป็นหลักประการเป็นหลักสําคัญอย่างที่เป็นพลังที่หลับเจ็ดตุนเป็นขุมพลังอย่างยิ่งซึ่งเราควรจะบังเพลยให้เกิดโดยเฉพาะลหลงปู่สาวหลงู่มั่นหลงตาตึงเน้นมากเอาสมาธินะเอาพิปสน า, า น, นะ จะเดินไปเหมือนกับเท้าเราสองเท้าฝวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายในขณะที่เราพิจารณาเพื่อให้เห็นอันนีจักทุกขันัตาทังระบบมื่อเราเดินไปพอเราเดินไปเดินึลยแล้วเราก็หยุดพักเพื่อเอาไปเพอเราพิจารณาอันนีจากทุกขันาตาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมหรือพิจารณาปัญจขันธ์นี่แหละพิจารณาเพื่อให้เห็นอันิีจากทุกขันัตาพิจารณาไปพิจารณาไปมันไมเหมือนกันนะ จิตใจมันเมัเหน็ดเหนื่อยถ้าที่ให้กําหนดมาอยู่กับอารมณ์เดีเยวแค่จิตในระดับสุบพอจิตสงบแล้วจิตมีเรืเ่องแรจิตมีกาําลังจิตมีพลังเป็นเพาอย่างนี้ล็อกตาท่านให้ความสำคัญมากเราไปเดินขาเดียวไปเลย น, ะไนละไปชิ้สมถะเราไปจากทีปรัสนาที่ปรัสนาเห้นบางคนพูดถึงถึ ง, ถ ง, ถงเรื่องทีปรัชนาพูดถึงสมถะพูดถึงเรื่องสมถะโอ้ยเสียวเวลาเสียวเวลา พระพุทเจ้าท่านไม่ใช่สอนให้เราตาอยู่แค่สมถะท่านสอนให้เราสมถะและสอนเราวิปัสนาเอาสมถะอย่างมีมีปัสนาไม่ใช่เราให้เราสงบจนเราอยู่แค่สมถะเพราะฉะนั้นก็เราพวกเราเลยไม่มีเป็นจกิจใจที่จ ะ, ท, จะที่จะตั้งใจทําให้เกิดความสงบดีไม่ดีก็ไม่ให้คุณค่าของความสงบใครพูดถึงสมถตะตั้งมีเฉลี่ยก็มีบางทีตัวเองยังไม่มีอะไรตั้มมีเขาอ่ะ มีเราฟังหลวงปู่บาจารย์เราเน้นนั่นก็คือเราเอาวิธีที่เราตากันแน่นนี่แหละเอาทึ่ข้าวเจอสำสักแล้วเจอเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยกินจะสงบลึกตื้อขนาดไหนก็ตามอยากพิจารณาขณะที่จริงของเราสงบระงับตรงนั้นมันมีพลังเอามาขนดพิจารณาตาขนมจอดจดจอดพิจารณาอยู่นั่นแหละถ้าเราจับหลักพิจารณาไม่ได้เราก็มาจับหลักอ่า มหาสติปัฏขานแหลรมาพิจารณากายหรือพิจารณาลมมา น, ะออนาปานสติอันนี้หมายความว่ า, วาในช่วงที่เราออกจากสมาธิมานะจิตของเรามีความเชื่องอยู่กับสติสัมปชัญญะของเราเชื่องอยู่อยู่กับอารมณ์ที่เรามีความสงบมาแล้วจะพิจารณากายก็ได้จะพิจารณาเวสนาเวทนาที่กายความเจ็บความปวดก็ได้จะพิจารณาที่จิตก็ได้แต่น้องตาท่านตล่อมเข้ามาเพื่อ ให้เราพิจารณาได้ง่ายขึ้นสมมติอย่างเราแม่งภาวนาลำปวดถ้าให้เราพิจารณาจ่อไปที่ความปวดจ่อไปที่ความปวดความปวดก็คือทุกขเวทนาเสร็นทล้วท่านให้ดูตรงที่มันปวดด้วยดูไปตรงตรงท่างกายให้มันปวดด้วยเช่นอย่างปวดสะโพกเนี่ยให้เอาจิตของเราในอย่างเข้าไปอยู่ในอาการปวดด้วยทุกขเวทนาที่เจ็บคือปวดปวดมันมาอย่างไหมันก็มาจากกาย กายเป็นเหตุเป็นประจัยที่เกิดความปวดดูปฏิกาคายปวดรือดูไปให้เห็นชัดเจนนี่แท้จิตกายก็มาปวดปวดดูไปที่เวทนาวเวทนาก็ไม่ได้ปวดย้อนมาดูทจิตย้อน ด, ดูมาจิตที่แท้จิตจิตก็ไม่ได้ปว ด, ดจิตเพียงแต่เพียงสักรับทราบรับรูบร้เท่นั้นเองรับเราจมจ่อย้อนไปทั้งนมาย้อนหมายย้อนไปเราจะเห็นตัวการสําคัญที่มันคอยทํางานตรงนี้ เป็นเหตให้เราให้เกิดตัำหาเกิดอปุปปาทนาเกิดทบเกิดชาติตามมาเจ้าปัญหาเนี้มันมี ร, กรากล่ามาแล้วมันมาสร้างต้นสร้างดอกสร้างใบให้กับตัวมันใหม่เหมือนกับมันพยายามมาเจริญพันธ์ปลอยพันธ์ข้ามัเอาไว้เพื่อไม่ให้สูญพานเพราะฉะนั้นตำขามันส่งเรามาแล้วมันมีกระแสการทํางานของจิตเป็นเหตุให้เกิดตัำหาอีกจะอยากตาเห็นรูปตาเห็นรูป เกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเรายินดีคือตัณหาสมร่อยเรายินร้ายคือตัณหาสวมรอยเพราะฉะนั้นในขณะที่เราหนักและมันปวดเราดูไม่ให้มันยินดีเราดูไม่ให้มันยินร้ายถ้ายินดีนั่เสียว่าตัณหาสวมเข้ามาสวมรอยเข้ามาแล้วถ้ายินร้ายเขาว่ายินร้ายคือมันมันอยากอยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ปวดนั่ตัณหาสวมรอยเข้ามาล มีปัญหาแต่ถ้าเรามีสติกำหนดจดเจาะดูเพื่อไม่ให้สิ่งอัไนี้มาแทรกเข้ามาเนื่องแก่บ้าเรามีความสนุกพอสมควรเราก็ยังกำหนดจดเจ่อดูกายพิจารณากายแล้วก็เจาะมาดูเวทนาพิจารณาเจาะมาดูจิตดูกายแล้วก็ดูมาที่จิตดูเวทนาแล้วก็ดูมาที่จิตทำไมเราต้องดูมาที่จิตด้วยเพราะตามหาเวลาเกิดมันเกิดที่จิตเราพิจารณากายให้เป็นสุภาพสุภันเสร็จเราโยนมาดูที่จิต ดูเวทนาเนี่ยดูให้เห็นจักได้ว่าายจริงๆไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นดูเวทนาให้จักได้ว่เวทนาจริงๆไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นมีสติกำหนดจดจ่ออยู่สติตัวนี้จะเป็นตัวมักตากล้าสายใหญ่ของความเป็นอัตตาตัวตนสติสัมผัสจัญญาทำงานด้วยกันซ้ำชาเข้ากลายเป็นปัญญาทำปัญญาทำงานซ้ำๆๆๆเหมือกัเราถูไม้ซ้ำๆ กลายเป็นปัญญาอย่างขึ้นมาได้ไม้ที่เราถูซ้ำๆๆๆแต่ต้องเป็นไม้ไม้แห้งนะไม้สดถูไปก็เหนื่อยเปล่าไม้สดทําให้เกิดขึ้นไฟขึ้นในยากเราจะต้องตามไม้แห้งไม้แห้งหมายความว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราทําจิตของเราให้ในตักความสงบแล้วก็พิจารณาเรื่องธรรมพิจารณาดีจากที่ความ่าตาพิจารณาเหนื่อยเหนยก็เข้าสู่ความสงบ ยิ่งความสงบเทียมพอก็ามาพิจารณานนะ้นตาต้องให้ทําสลับกันไปอย่างนี้มันจะไม่จะเต้องไปโอ้ให้ตายชาดเสียสก่อนให้มามาพิจารณาเสียเวลาเพราะสมาธิก็จะหนุนปัญญาปัญญาก็จะหนุนสมาธิถ้าปฏิบัติเราดูไปให้เห็นใหเห็นอย่างชัดชัดเจนอย่างแท้จริงมันจะหนุนกันนะสมาธิมันจะหนุนปัญญาทําให้ปัญญาไปได้สะดกสบายกล้องแคบ ปัญญาพอเราดไปเข้าแท้ก็จะนุ่สมาธิเนี่ยนุนกันมาเป็นอัญญาบัอย่ญญางแก่กันสัตเป็นัญญบาญงแก่กัเรนัวอเปัญญาไปแล้วท่ทนานให้เข้าสมาธิเข้าสมาธิมีกาลังเกียวพอเขาต้องการให้สงบยอยู่กับสมาธิครั้งนี้เราความสงบก่อนพอจิตขยับตัวออกมาเข้าสู่ความสบอีกก็จิตขยับออกมาเข้าสู่ความสงบอีก เราไม่เข้าสู่ความสงบเราพิจารณาอ้าวสมควรกับการพิจารณาแล้วอ้าวมาพิจารณาการที่เอากิต ท, ที่สนุกนแหละมาพิจารณาจะทําให้เราเข้าใจเรื่องสัจธรรมสัจธรรมหยากหยาบจะเริ่มปรากฏตั้งแต่กิตเราเริมสงบนะเพราะจิตเราเริสงบจะทําให้เราทราบวกายเป็นชวนกายจิตเป็นชวนจิตเนี่ยคือสัจธรรมหยากหยาบนะจากนั้นเราก็มาตามต้นดูอันนี้อางทุกขังนักตา มันก็จะได้เห็นด้วยประสบการณ์ของเราที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นโดยเฉพาะมาพิจารณาเวทนาคือความเกลียดความขุน่ น, น, นี้เราจะเห็นชัดเนจนอยู่จพาะหน้าเราเราหยั่งยานพักตั้หาแท้ปุ๊บกลายเป็นเรากลายเป็นของของเราขึ้นมาทันทีเพราะร่างกายของเราเป็นผลผลของตั้งหาถ้าหาเราไม่เอาสติเอาสัมผักันยักเอาปัญญามาทํางานเนี่ยเี๋ยเจ้าตัวมันจะโผล่มันออกมาจากจอง กายเรากายเรากายเราปวดกายเราปวดมีอัตตามีตัวตนโปล่ขึ้นมาแท้จริงการตั้งใจภาวนาเราตั้งใจภาวนาเพื่อทําลายอัตตาตัวตนเพราะฉะนั้นประตูแรกที่เราจะถึงท ะ, ทะวุเข้าไปละสักกายยัณฑิติเราฟังดูอันนี้คือหลักกระแทกละสักกายยัณฑิติถ้าเราไม่พิจารณาตรงนี้เราจะละได้ไหมเราละไมได้เรามาพิจารณาให้เห็นธาตุขันธ์ของเราเนี่ยให้เห็นอารมณ์ภายในจิตของเราเนี่อะไรคืออัตตาที่แท้จริง พิจารณาใหเห็นสิ่งเหล่านี้เราจะเราจ ะ, เราจะได้ข้อปฏิบัติเราจะได้กําลังใจเป็นการขยับเข้าไปจุดสัจจ์ละเอียดขยับขึ้นหน้าเข้าไปเรืยขึ้นหน้าเข้าไปด้วยอันนี้หนึ่งเป็นการเริยนนาเพื่อให้พวกเราเข้าใจได้อยู่ได้ฟังเพื่อจะมีกำลังใจในการทำทุกปฏิบัติการสวบพระนับสังขารเหล่านี้ได้เป็นจุดอย่างยิ่งทาการเข้าไปสวดพระนักสังขารได้ใจ ช, ชนะ การที่เราจะได้ชัยชนะจากสิ่งนี้ถ้าเราไม่ต่อสู้เราจะได้ชัยชนะไหเหมือนอย่างเราสวนมะเกลือชัยยักชัยยักชัยหยักการที่เราจะได้ชัยชนะมันจะต้องผ่านการต่อสู้ถ้าเราไม่ผ่านการต่อสู้จะได้ชัยชนะไหมะไม่มีโอกาสที่จะได้ชัยชนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับกิร ria, ลสหนักหรือเบาขนาดไหนฟังด้วยว่าผรูบาอาจาร้์ท่านบอกเือเดนตายหรือเองตายนเนื้อเองตายยังไงเนือเดน ต, ต, ตายตอนที่เราเขายัก ให้เป็นไปตามที่เราต่างเราเรียนเอาไว้ขยับหลุดขยับแลกุดขยับแล้วกลุดเหมือนกับเราสะสมลมไปถูไม้ให้เกิดไฟถูไปถูไปถูไปถูไปเพราะในมือแล้วหยุดเพราะเราหยุดแล้วมันเย็นไหมไม้ที่เราถูการเสียดสีให้เกิดไฟหมายว่าเสียดสีไปเรื่อยๆจะเกิดความร้อนเพราะเราหยุดเสียดสีมันร้อนอยู่ไหมความร้อนก็หมดไปแล้วการและทำไงปลาเปลวไฟมันจะเกิดขึ้นได้ จะต้องถูไปอย่างสมองเสมอแล้วต้หนักหน้าเขาไปเรื่อยหนักหน้าเขาไปเรื่อยหนักหน้าเขาไปเรื่อยหนักหน้าเขาไปเรื่อยจนเห็นจน็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ความเป็นไฟบอกโอ้ความเกิดขึ้นโอ้ขมาหลาดำๆเกิดขึ้นฐานําดำๆเกิดขึ้นฐานแดงๆเกิดขึ้นฐาานแดงๆเกิดขึ้นเห็นความเห็นฐานดำๆเกิดขึ้นระดับขี้หยากแล้วหยุดก็หน้ายุดก็ได้ถ้าหยุดแล้ความเย็นความเย็นจะมาแทนที่ ถ้าหยู่แล้วความเย็นจะแทนที่โอกาสจะได้ไงใช่ไหมไม่ได้ด้วยเหตุที now, east, e, ่เราเคยประสบเฟสเราเข็ดเราลาวพอมาถึงตรงนี <gypt ophobia forever> ้แล้วไม่ได้ตายไม่ตายให้ได้ไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้ผ่านตรงนี้ไปได้ทุกบัญญัติว่าเหลือเดนตายเหลือเดนตายเหลือเดนตายเหลือเดนตายตรงนี้ไม่ใช่ไปสลักชีวิตตกลงเหลือเดนตายตามหน้าผุหน้าผาหนอะไรอะไรอันนั้นเอาความเด็กเข้าไปใส่นะ ไม่ได้ตายถ้าไม่ได้ใตายแต่ถ้าเราไม่ได้ให้ตายเราไม่ได้ให้ตายในขณะที่เราถูไปเกิดไฟเห็นฐานดำๆเห็นฐานแดงๆหมายความว่ามันเริ่มมีไฟแล้วเราก็เอาปากเป่าฟุ้กขึ้นมาได้เปลดไฟได้ไฟใช่ น, นี้เป็นข้อ ป, ประมานะวุฒิยาท่านยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วเรามีเกมมังดูงตัวเราแตละคมนมองใจของเราแต่ละนแต่ละท่านเราเป็นประเภทหนึ่งยางไม่ออกจากกรา กยยังไม่ออกจากการมจิตยังไม่ออกจากการมประเทศสอบก า, ายออกจากการมแล้วแต่จิตยังไม่ออกจากการมเหมือนอย่างอยู่บ้านนี่แหละเราก็อยู่ป่าอยู่เขาอยู่วัดอยู่บา้านไอ้จิตล้วนึกถึงเรื่องการมคือจิตยังไม่ออกจากการมโอกาสาที่เราจะภาวนาให้เป็นปัญญาแต่เราไม่ปฏิเสธผลเพิ่มนะผลเพิ่มที่ตกเป็นวิบากกรรมมันเพิ่มอยู่เราทําทุกครั้งทำมากทำน้อย เป็นวิบากกรรมเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่องเหตุกับผลจะต้องไปด้วยกันไม่ว่าเราตั้งใจสร้างเหตุผลจะต้องตามมาเป็นเรื่องธรรมดาเสแล้วเราถูไปเรื่อยถไปเรืยเราเอาไม้แห้งจิตจิตใจเราสงบนั้นแต่เราทํามาทํเราพิจารณาการ่านัญญัพิจารณาพิจาณาไปแล้วหยุดคิดถึงคิดถึงอีกคิดถึงถูไปถูไปพิจารณาไปพิจารณาไปหยุดพิจารณาไป กูบาลจากท่านจึงให้ทําอย่างต่อเนื่นองเหมือนคนประเภทที่4ถูอย่างต่อเนื่องเพราะมีสั ญ, ญลักษณ์บอกมีสั ญ, ญลักษณ์บอกแล้วเข็ดลาที่มันเคยตกที่มันเคยหลน่นที่มันเคยดิ้นเอาไปเอาตายใส่ข้าวอะไรลองดูเอาดึงเอาดึงได้เปลวไฟได้ฝไฟใช้ถ้าพูถึงว่าในขนัะที่เราเสียดสีเข็นกันจริงๆเหมือเราใช้ปัญญาใช้ปัญญาถูไถ่ไหลถูไปมาถูไปมา จนสามารถเกินปัญยายามขึ้นมาได้ทําให้เราเห็นสัจธรรมส่วนที่ละเอียดขึ้นไปถ้าเป็นส่วนสัจธรรมที่ละเอียดทําให้เราทําลายสักการะคิดถึงได้ก็จะเปิดให้เราเข้าถึงได้ราคานมาตอนนี้เราเข้าเข้าไปใกล้ประตูธรรมะดับตาตัวตนขั้นแรกหลักเกณฑ์ที่ได้จรินก็เหมือนอย่างพระปัญญาโกฏิญาท่านฝั่งธรรมะของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสแสดงธรรมจบท่านก็ได้ ได้ลงตาเห็นธรรมด้วยข้ออัดข้อทำที่ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธํานาสิ่นั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนั้นคือตั้งอกตั้งใจฟังไปและมันมีพลังมันมีพลังแล้วก็ทำให้กระแสตัณหาส่วนหนึ่งเห็นเหตุเห็นปัจจัยของร่างกายของจิตใจเป็นเรื่องธรรมดาตาตัวตวนที่มันโผล่ขึ้นมาด้วยอำนาจของตัณหามานาะที่ติมก็ตกไปมันมีกําลังบางไปเ บ, าไ ป, บาไปน้อยไป น, นี้เป็นเป็นประมาที่เรามาพูดให้พวกเราทุงหลังได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะตรงนี้เป็นแหล่งธรรมมีท่านอาจารย์เด่นท่านอาจารย์ช่วยท่างอยู่บบรมสุขฝนพวกเราเราตั้งใจมึ่งปฏิบัติมีข้อคุ้นใจอะไรใหม่เราก็ไปปรุงไปสวดตรวจสอบไปทานและมาปฏิบัติกับท่านให้เป็นเมืองนิพนธ์เถอพวกเราจะได้ประสบอุดมปรมงคลเข้าสู่หัวใจของเราถ้าหากเราไปในอุณภาพนี้ยางไม่ได้ พระสิยันย้ำ่องปลมาเจอท่านแน่หนอทผาไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพูดธรรมะ ม, มาบอกถึงข้อคิดสำหรับพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วขอให้ตั้งจิตั้งใจอุทิดส่วนกุญที่เราได้ฟังมาฟังทำเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนี่และเข้าได้ะไรเราประสบพบเห็นนให้แก่ยอมมารดาของท่านพระอาจ า, ารย์เห็นท่านอาจารย์ช่วยซึ่งท่านมีหน่อเนื้อเป็นลูกชาย แล้วท่านเป็นยากกับพระพุทธศาสนาและกท่านมีโอกาสติดสอนให้ตามมาอยู่บองเห็นกับพระโน้นชาเข้าฝาเข้าเขาตรงนู้นตรงนี้เข้ามาอยู่นี้ตั้งแต่สมัยรุนปู่อยู่เราฟังดิท่านฟังสมุปรมามากไหมอย่างช่นท่านพูดเด็ดต้องบอกเสียใจอะไรเสียใจอะไรความดีเราทําไว้มากแล้วเสียใจอะไรเราฟังท่านดูโอ้สัะใจดีเลย เลยเป็นเหตุสะท้อนมาที่ว่าสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตั้งใจสร้างความดีนี่เป็นเหตุสะท้อนก็มาเป็นเหตุว่าเออฟังตายใกล้เข้ามาเราจะต้องเสียใจเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้มีสร้างขงยางความดีเต็มที่ล้วไม่ต้องเสียใจเรื่องการเป็นการตายเป็เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าให้ปลองธรรมสังเปย์ทําบุญทิพย์ส่วนบุญเราคุณบุญไปให้ถึงว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนซึ่งการและกัน ดัทงที่ท่านทั้งหลายได้พากันมาร่วมบุญร่วมกุศลกับครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกชายของคุณแม่มารดาของครูบาอาจารย์ทั้งสองที่ท่าร่วมไปเรนี้จะด้วยเรืร่อ ง, ง, งไทยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยทุนทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเสียสละฐานะที่ว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็ น, ลนเนลนเป็นลูกศิษย์เป็นลูกหากับครูบาอาจารย์การกระทำของเราทั้งหลายนั้ น, นมีผลมีอาเมนสง ขอให้ผลอานิสงส์ส่วนนี้จงตามอํานวยมวยใช้ให้พรกับท่านทั้งหลายรวมทั้งครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ที่พากันช่วยเสียสละมาช่วยจกักช่วยทํางานส่วนนี้ให้รุดล่วงไปด้วยดีขอผลอานิสงส์ส่วนนี้จงตามอํานวยมวยใช้ให้พรทั้งหลายให้ประสบความสุขความเจริญได้ความสําเร็จสมหวังในอดในขังโดยทุยกนาการในวัน พิจิตรามปฏิต่างตุ้มัางพิบมือวัสชตุสเพปูเรนตุสันตปาจันโทปนาปโสยักถามิโจติรโชยักาสัพพีติโยวิวัชรตุสัพพโรโควินัสตุมาเดวพวตวันตารโยจุขีทีคายโยภวะภิวาธนาสีเดชานิยันุทาปยาโยจัตตาโรธรรมวัฏฐนติอายุพโนสุขัง